พระธรรมเทศนาแผ่นที่109าลำดับที่21โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่20พฤษภาคม2560มีชื่อเรื่องว่าคนอินโดกระหายธรรมอ้าวลูกหลานเนี่ยในความสงบโยมลั่นเพิินมาเหตุถนนแห่เฮ่านะ ย่มลั่นน้ำโสมเป็นมาทําถนนลาดยางสีดําหมองไซบาตโอ้ดีให้ได้บุญในหลายเนะย่อมรั่นนะให้ลุย้ลยลยให้เจริญเจริญ ล, ล้ำลุ้ยโชคดีลูกร้านทุกครูทุกคนที่มาทําถนนถนนลาดยางหมองไซบาตหลวงพ่อเห็นแล้วก็เออดีตะกอนเมื่อกันนะ่ะเวลายางบินทาบานเลย นางเยาะนางยองพวกปันจอบนอกคนั้ไปบ่ยองก็บบ่ได้มันเจ็บตี น, นเหยียบกี่หินเป็นน้ำบาดใ้สบายแหละยางลื่นเลยหมองสายบาด ท, ที่จะถึงต่อไปปีพันศาที่นาจนะะดวกสบายแหละคู่บาศัทธายาตินุ่มพอถนนต่ออกมาหลายเพะสมควรตะกอนก็มัน มีตะกีหินหินภูเขาหินที่เป็นนามเวลาอยางไปเนี่ยเหมือนเจ้าเจ็บบ้านนี้สะดวกสบายละวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ย0สิบพฤษภาคมพุทธศักราชสัห้ารสบวันพรุ่งนี้หลวงพ่อ คงจะได้เดินทางนะคณะสัายาติโยมลูกหลานทุกคนหลวงพ่อจะออกจากวัดไปทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหาทุนให้กับโรงพยาบาลอำเภอสังคมอำเภอสังคมสร้างตึกขึ้นมาแล้วมีปัญหาเรื่องจตุปัจจัยก็เลยรวบรวมสาัสายาติโยมเข้าไปช่วยทอดผ้าป่า เพื่อหาทุนให้กับโรงพยาบาลอำเภอสังคมยังขาดจตุปัจจัยพอสมควรเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช่เป็นของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นสาธารณประโยชน์เป็นประโยชน์ของลูกของหลานตึกหลังนี้ก็ใหญ่พอสมควรตึกห้าชั้นนะแล้วก็มีห้องพยาบาลคงจะหลายห้องอยู่คงจะครบนะ ตึกที่ว่าดีที่สุดของโรงพยาบาลอำเภอสังคมแต่ก่อนก็เป็นตึกต้นเก่าๆชั้นเดียวตึกชั้นเดียวเกือบทั้งหมดแต่บัจนี้ก็ทำเป็นตึกห้าชั้นแต่ว่าจ ะ, ะจุกปัจจัยที่สร้างยังขาดอยู่ ปัจจัยที่สร้างก็ไม่ใช่เป็นของรัฐบาลถ้าเป็นของรัฐบาลก็ไม่มีปัญหาแต่นี้เป็นของอหลวงพ่อเล็กเจ้าคณะอำเภออำเภอสังคมกับหลวงพ่อจันมีร่วมกันสร้างแต่พอสร้างขึ้นมาแล้วก่อน น, นนะก็ยังไม่แล้วเสร็จยังมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับนี่นะทุนเกี่ยวกับทุนในการก่อสร้าง เพราะนั้นพวกเราที่อยู่ใกล้กันอยู่ในละแวกนี้ถ้ามีปัญหาอะไรขึ้นมาก็ช่วยช่วยกันคนละไม้คนละมือจนกว่ามันจะแล้วเสร็จขับไ่แล้วเสร็จเ่านี่ก็เออครั้งต่อไปจัทธาญาติโยมผู้ใดได้ยินเสียงหลวงพ่อที่พูดออกไปนี่ก็ปฏิติดต่อประสานมาทางอำเภอสังคมจังหวัดหนองคาย ก็มนะีนั่นแหะมาทางพอ อ, อก็ได้มีเลขบัญชีอยู่แล้วที่จะสร้างตึกหลังนี้นะแต่หลวงพ่อไม่รู้หรอกแต่หลวงพอ่อจะไปร่วมท่านเองแต่ตึกหลังนี้เป็นตึกของอารมณ์พยาบาลอำเภอสังคมเทนั้นอนะ่ะพอเสร็จแล้วนะหลวงพ่อจะได้ไม่ได้กลับมาวัดไปหน้าทไหไปขึ้นเครื่อง ที่อุอรพอไปขึ้นเครื่องทีิวดอนลงกรุงเทพแล้วก็พักที่กรุงเทพสองวันพุ่งลงขึ้นวันที่ยี่สองฉันที่จิตโภชนาปากวันที่23ชฉันอยู่ที่สวนแสงธรรม24สี่ หลวงพ่อจะได้ไปขึ้นเครื่องนะท่านนี่จัตตาาญาติโยมไปขึ้นเครื่องไปอินโดนีเซียจัทตาญาติโยมเขาในมนหลวงพ่อก็ไปเห็นเมื่อปีที่แล้วนะก็อื้อน่าจะไปครบลรูกครบหลานคบไปพบกับจัทธาญาติโยมทางอินโดนีเซียดูๆแล้วเขาก็มีศรัทธาเป็นคนกลุ่มหนึ่ง ก็คงจะไม่มากเท่าไหร่แต่นั่นแหะที่เห็นแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจเป็นกุศลและก็พร้อมกันเขาก็สร้างเป็นมูลนิธิถวายองหลวงตามหาบัวหลวงพ่อก็ได้ไปรับเมื่อปีที่แล้วแต่ปีนี้หลวงพ่อก็ยังเป็นห่วงอยู่ว่าจะเอาพระไปอยู่อย่างไรในมูลนิธินี้นะปีนี้ไปช่วยๆกันไปคิดอีกที่นึง ไปตกลงกันว่าจะเอาอย่างไรไปก็ไม่ไม่นานนะประมาณอาทิตย์กว่าๆนะลูกหลานนะไปวันที่24ก็คงจะกลับวันที่วันที่สาเพราะวันที่สเป็นวันทอดผ้าป่าสามัคคีอีกที่จังหวัดขอนแก่นโรงพยาบาลศรีนครินโรงพยาบาลหาทุนให้กับมูลนิธิหออภิบาลสงหลวงปู่มั่น ดูแลพระสองฆ์อาพาธที่โรงพยาบาลสร่นครินจุดนี้ก็เป็นจุดที่จำเป็นสำคัญหลวงพ่อก็เด้ดูดูอยู่เพราะว่าครูบาอาจารย์เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็เด้กเข้าไปพักผาใสไปเข้าโรงพยาบาลตีนตึกชั้นที่สิบ ของตึกสมเด็จญานะ่าโรงพยาบาลศรีนครินทุกปีเราก็หาทุนให้กับโรงพยาบาลปีนี้ก็ถึงกำหนดเดือนมิถุนาเราก็ได้ร่วมกันทอดผ้าป่าหลวงพ่อคงจะมาให้ทันนะถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ก็คงจะมาให้ทั น, นะทนแต่ยังไม่ถึงวัดนะมาจากกรุงเทพก็มาถีศรีนครินก่อนพอจบจากศรีนครินหนะลวงพ่อจึงจะกลับมาถึงวัด อันนี้ก็บอกกล่าวให้คณะจัตธาญายาโยมพระเนนลูกหลานได้รับรู้รับทรา บ, บแต่ถึงยังไงก็ตามนะถึงหลวงพ่อไม่อยู่อยู่วัดไม่อยู่วัดหลายวันหลวงพ่อเองก็เป็นห่วงเหมือนกันนะห่วงพระลูกพระหลานห่วงจัตธาญายาโยมแต่ถึงยังไงก็ขอให้พวกเราประกอบคุณงามความดีสังสมบุญกุศลหลวงพ่อก็มีแต่นแนะนาสั่งสอนบอกกล่าวทุกวันบางทีวันละ ครั้งสองครั้งอีกต่างหากตอนเช้าและก็ตอนเย็นวันพระอีกนะบอกกล่าวให้กับพวกเราแต่คิดว่าพวกเราคงจะรู้อันไหนควรไม่ควรถูกต้องไม่ถูกต้องเป็นธรรมไม่เป็นธรรมเป็นวินยัยหรือไม่เป็นวินยัยเป็นกฎระเบียบของวัดเป็นกฎระเบียบของพระ พ, พ, พ, พุทธเจ้าสิ่งเหล่านี้พวกเราเข้ามาศึกษาเข้ามาเรียนรู้นะไม่ว่าญาติวายมนะ ช, ช่วยกันดูแล ถึงหลวงพ่อไม่อยู่ก็ให้เหมือนเก่านั่นแหละพอเหตุไรเพราะว่าการทำความดีความชั่วถึงหลวงพ่ออยู่ก็จับไฟร้อนถึงไม่อยู่จับไฟก็ร้อนอีกอย่างเก่าเพราะนั้นการทำดีทำชั่วถ้าหลวงพ่อไม่อยู่ก็ทำดีก็ได้บุญถ้าหลวงพ่ออยู่ก็ได้บุญหลวงพ่อไม่อยู่ก็ได้บุญมันเหมือนเก่าเพราะนั้นอย่าไปคิดว่าหลวงพ่ออยู่แล้วไม่อยู่ เหมือนเก่าทั้งหมดนะลูกหลานให้ประกอบสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจภาวนาไปนะงั้นหลวงพ่อไปครข้งหน้าก็ไปทำประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนานะไม่ได้มุ่งหวังอย่างอื่นไม่ได้มุ่งหวังโลกาลาบอะไรทั้งหมดไปที่แลปีที่แล้วนะมีเขาถวายจจตุปัจจัยหลวงพ่อนะหลวงพ่อก็ได้เท่าไหร่ แต่คิดเป็นเงินไทย เ, เงินไทยก็ล้านล้านกว่าบาทนะแต่เป็นเงินอินโดนีเซียนะี่ร้อยี่ร้อยกว่าล้านหนะลวงพอรวยเลยในเงินปัจจัยสีร่รอยกว่าล้านนะพอได้มาหลวงพ่อก็แบ่งนะแบ่งให้มู่นิทิสั้นแบ่งให้วัดนี้แบ่งดูแลพระสงฆ์ให้ท่านดูแล โรงเรียนของท่านนะแบ่งซ้ายแบ่งขวาแบ่งหน้าแบ่งจดหมดนะเขาก็ถามว่าหลวงพ่อไม่เอากลับมาเมืองไทยเหรอหลวงพ่อไม่หระมันเกิดที่ไหนก็เอาไว้ที่นั่นละถ้าเอากลับมาเมืองไทยมันเสียศักดิ์ศรีหลวงพ่อวะนะหลวงพ่ออินมีศักดิ์ศรีนะลูกหลานนะพอเห็ุรเพราะว่าพอไปประเทศเมืองเขาแล้วไปจัดตัวประจัยเขาถวายเอา ออมเมืองไทยก็เหมือนกับไปเอาของมาจากประเทศเขาเขาก็คงจะไม่พอใจเราได้ที่ไหนทิ้งไว้ที่นั่นวัดเราคนนี้นะอย่างที่พวกเราเห็นหลวงพ่อบิทฑบาต ท, ทุกเช้าผมมีอยู่มีกินมีฉันอยู่ก็มาเห็นจะเดือดร้อนแต่มีความจําเป็นเออเอาถ้าเขามีศรัทธานมีศรัทธาเออเอาส่งเข้ามาถวายจากอินโดนีเซีย หลวงพ่อรับไม่อันในเมื่อขขาวเช่นนั้นนะแต่ไปถึงเขาแล้วเออแจกให้วัดมูลนิธิที่จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศเขาประเทศเขากับผลละเมืองมากเกือบสามร้อยก็เป็นผลละเมืองที่ยากจนแล้วเพราะคนมันมากแต่ของเราเนี่ยถึงยังไงก็ยังมีอยู่มีกินอยู่ยังพอเป็นพอไปเนี่แหละอันนี้หลวงพ่อสรุปแล้วก็คือหลวงพ่อไม่ได้ไป เพื่อแสวงหาลาบยศนะรถก็ไม่รู้จะได้ยังไงเป็นพระอย่างเก่านะติเลกราบก็อย่างที่ว่านะั่นได้มาเท่าไหร่คืออ้าวแต่ว่าได้ญาติธรรมได้ทำความเข้าใจกับพระพุทธศาสนาได้ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนจัตฐาญาติโยมใ ห, ให้ปฏิบัติปฏิบัติชอบเนอะเพราะเมืองอินโดนีเซียนะ่สมัยก่อนกันเนะี่ย มีอะไรเจดีบโลพุทโธเกิดขึ้นมาเกิดนี่นะเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะเขาแกะหินยังได้ยังไงเขาแกะหินเป็นทั้งภูเขาเป็นวัดหลวงพ่อกันไปเห็นะนะนะไปเห็นเออเขาทำได้วนะนะี่แะแสดงว่าพระพุทธศาสนาคงจะเ จ, เจเริญรุ่งเรืองนะที่ประเทศอินโดนีเซีย มาก่อนเหนือก่อนประเทศไทยเพราะเขาแกะทางภูเขาเป็นวัดได้แสดงว่าเขามีศิลป ะ, ะเขาเก่งมากนี่อันนี้หละหลวงพ่อคิดว่าดวงบิญญาณของเขาที่เป็นปูญย่าตาทวดของเขาที่ยังไม่พ้นทุกข์ก็คงจะไม่พ้นทุกทุกคนที่สร้างพระเจดีย์พิพิธภัณฑ์สร้างวัดวาศาสนา ที่อินโดนีเซียของเขาเขาคงาจะเวียนไหวาตายเกิดอยู่ประเทศอินโดนีเซียนั่นแหะเหมือนกับเมืองรักเมืองเมืองกับพวกเรานะ่ยรักเมืองไทยนะพอตายไปแล้วก็อขอให้มาเกิดเมืองไทยด้วยเถิดพอมันห่วงถิ่นของตนเองด้วยบุญด้วยกุศลให้ได้บําเพ็ญคุณงามความดีให้ได้สังสมบุญกุศลในการเกิดมาอีก ในชาติพบนายชาติหน้าถ้าไม่พ้นทุกเนี่ยถ้าถาวรพ้นทุก์ในวัฏสงสารเลยค่ะขอให้ถึงแดนพรนิพพานจะได้มาเวียนว่ายตายเกิดอีกเป็นอนันตการน่ยอันนี้ก็คือแนวความคิดของพุทธศาสนิกชนไม่ว่ายุคนั้นสมัยนี้ยุคสมัยนั้นเขาก็คงจะคิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่พอเขาเกิดขึ้นมายุคนี้สมัยนี้กขานะลัทธิศาสนาแนวความคิดมันแปลกแตกต่างกัน แต่ถึงยังไงเขาก็ยังห่วงหาอะไรในประเทศชาติถิ่นฐานของเขาอยู่เขาก็คงจะมาเกิดหลวงพ่อว่านะอันนี้เป็นความเห็นหลวงพ่อนะหลวงพ่อว่านะแต่ดูร์ๆก็เป็นลักษณะอย่างนั้นจริงๆนะอพอหลวงพ่อไปนะเนี่ยพี่น้องประชาชนชาวอินโดวาใจบาทคนเป็นพันนะลูกหลานนะ คนมาใส่บาตรทั้งลูกทั้งหลานอุ้มลูกอุม้มหลานมาใส่บาตรของที่ใส่บาตรนะไม่ใช่ธรรมดานะเหมือนคงจะใส่รถสิบลอนะนะ้อนะที่มาใส่บาตรเสร็จแล้วก่อนะมานั่งฟังนั่งฟังด้วยความเคารพนะนี่งสนใจให้เข้าหิมหิวหิวธรรมะ ให้ขาวากระหายอยากจะฟังธรรมะอยากจะสนใจเรื่องธรรมะเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนานะแล้ก็ฟังดีมากเลยหลวงพ่อเนี่ยพูดแต่หลวงพ่อเสียดายจะพูดภาษาเขาไม่ได้แต่ก็พูดเป็นภาษาของเรานี่แหละก็ให้พระองค์หนึ่งเป็นองค์แปลแปลให้เขาฟังแต่ขนาดนั้นเธอเขาก็ฟังดีมากเลยไปเห็นละเออ ปนัปีนี้เลยเออไปอไปพบพบดูเขาอีกว่าเป็นยังไงยังเหมือนเก่าไหมนะเน่แหละปีนี้หลวงพ่อก็คงจะไปประมาณสักอาทิตย์กว่าๆนะลูกหลานนะที่ไปเนี่แหละนะไปเรื่องพุทธศาสน า, นะาแต่เหนื่อยไหมหลวงพอ่อคิดว่าตรงเหนื่อยแน่ๆเพราะอายุหลวงพ่อถึงขนาดนี้แล้วนะ แต่จะคิดว่าคงจะน่าจะไหวนะถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข่นะถ้าป่วยไข้เลยจะว่าอย่างไรอยู่ที่ไหนก็ตายได้ทั้งนั้นนะไม่อยู่เมื่อไม่ว่ายอยู่อินโดไม่อยู่อังเมืองไทยใคอยากอยู่ในอากาศก็ยังตกเครื่องบินตายก็ยังก็ยังได้เรื่องความตายมันของธรรมชาติมันอยู่ที่ไหนาตายได้ทั้งนั้นหายใจไม่เข้าก็ใช่หายใจไม่ออกก็ใช่ เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะลูกหลานนะประกอบคุณงามความดีแต่ตายแล้วทุกคนก็ตายนั่นแหละแต่หลักของพุทธศาสนาท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูญนะจุดนี้แหละจวบตายแล้วไม่สูญนะให้ศึกษาจุดนี้นะถ้าเราศึกษาแล้วน่ะเราจะได้วางตัวถูกวางแนวทางถูกนในเมื่อวางแนวทางถูกแล้วน่ะความสบายใจของเราก็จะมี นะขอให้พวกเราทุกท่านนะทุกร้านทุกคนนะสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจจะตั้งอยู่ในความประมาทพราต่อในไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรในตานีเนะ่า